มทที่ยี่สิบสองแผ่นทองในกรองงาเมื่อกลับสู่ห้องแล้วเวทิสาทิดาแห่งเศรษฐีเม<ร Leaf ivi> <ologie> ืองเวทิตก็ไม่ได้เป็นอันทําอะไรให้ถูกต้องได้จะนั่งจะยืนหรือเดินก็ไม่เป็นสุขไปเสียหมด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 ครู่หนึ่งจึงโอบไลที่ดาพลางกล่าวว่าลูกรักเป็นมงคลแห่งคลือหาตของเราอย่างเหลือลน้นที่พระราชบุตรแห่งพระเจ้าพินทุสารราชาแห่งแคว้นมคตนี้ย่างพระยุคนละบาทเข้ามาพร้อมด้วยมหาอมาตย์แห่งนครอุตเชนีต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติต่อพระราชบุตรอีกทำนองหนึ่งตามพระราชนิยม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 และจะไม่มีนายที่ยุติธรรมคนไหนยินดีเมื่อคนของตนไปทําผิดโดยอ้างว่าทำเพื่อนายตนถ้าแกไปเจอนายที่ชอบให้คนของตนทาผิดเพื่อตัวเองแล้วไม่นานนักนายของแกและตัวแกเองจะต้องพินาศล่มจมนายคนนั้นมีฐานะอย่างกระผมไม่เห็นจะวิเศษอะไรง่เข็ดถลายไปเรื่องอื่น